พินถอนใจเฮือยกมือขึ้นในลักษณะสาบานผมพูดเล่นนะครับคุณหญิงด้วยเกียรติยศของพรานไพรผมขอสาบานว่าผมไม่เคยแอบดูผู้หญิงคนไหนทั้งสิ้นครับมีแต่ว่าเขามาให้ดูเองครับว้า ย, ยิ่งแล้วใหญ่เอาทีตายอิตาพรามคนนี้เนี่ยอย่าอยู่เลย เสียงดารินแทบจะเรียดในว่าดังไปทั้งหมู่บ้านเงื้อมัดขึ้นอ้อยฉับระพินเบียงหลกจับต้นแขนรังไว้แล้วจูบที่แก้มอันเย็นรื่นชื่นชุ่มไปด้วยหยาดน้ำนั้นอีกมือหนึ่งหยิบแก้วไวายขึ้นจ่อกระมฝีปากของหล่อนดื่มสักก่อนเถอะครับอากาศที่นี่เย็นมากครับอาดน้ำร้อนมายกยกปลวกมาปะทะอากาศเย็นๆ เ, เดี๋ยวจะไม่สบายครับเมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว จะเล่นงานผมไม่ตายยังไงก็ได้ครับไม่ว่าหรอกตอนนี้นะ่ะไปแต่งตัวซะก่อนเข้าไปใช้ห้องผมนั่แหละครับรับรองว่าจะยืนอยู่ที่นี่จนกว่าคุณหญิงจะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วกลับออกมาครับมาราชวงศ์สาวคนสวยชายหางตาดูเขาทำหน้าบึง้งแล้วหยิบแก้ววายขึ้นมาดื่มเข้าไปครึ่งแก้วจ้องหน้าเขาเขม่งถามเสียงต่ำๆรู้ไหมฉันมาที่นี่ทำไม ไม่ทราบครับคุณหญิงเป็นคนซนคนแก่นนึกอยากจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ย่อมทำได้ตามใจตัวเองทั้งนั้นแหละผมนั่ไม่อาจตรัสรู้เหตุผลของคุณหญิงได้หรอก จ, จะให้เดาก็ไม่กล้าไม่กล้าเดาแล้วครับฉันก็จะมาบอกกับคุณว่าฉันจะแต่งงานแล้วหลังจากวันเกิดฉันผ่านไปแล้วเพียงเดือนเดียวเท่านั้นเรากำหนดวันแน่นอนแล้วล่ะ ฉันมีกาแต่งงานติดมาในกระเป๋าเครื่องสำอางนี่ด้วยและฉันเจตนาที่จะนำมามอบให้กับคุณด้วยมือเองเสียงนั้นแผ่วเบาเพราว่าเยียบเย็นนะบางสิ่งบางอย่างในกระแสะเสียงนั้นทำให้ระพินสะดุ้งปลาเข้าไปถึงขั้วหัวใจยังบอกไม่ถูกมองตาหล่อนเฉยและริงยิ้มนิดนึงดื่มวายแก้วนั้นหมด แล้วค่อยๆเปิดกระเป๋าลูกที่ถือติดมือนั้นออกมาช้าๆวางซองสีขาวสะอาดขนาดเขื่องซองหนึ่งลงตรงหน้าเขาอย่างสงบรพินเหลือบดูจ่าหน้าซองด้วยลายมือบรรจงเขียนว่าเรียนคุณรพินไพรวันเขาย่นคิ้วลงนิดหนึ่งมองหลอนนิ่งอีกครั้งตาลินหมุนตัวห่างออกไป บอกมาด้วยเสียงร่าเริงตามเดิมรอเดี๋ยวนะคะคุณรพินฉันแต่งตัวเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละถ้าเราจะไปดินเนอร์กันข้างแคมป์ไฟพร้อมทั้งคุยกันไปด้วยวันนี้ฉันคิดว่าเป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดเลยค่ะระพินยืนเหมือนถูกสะกดอยู่กับที่ขณะหนึง่งต่อมาเขาก็เหลือบมองดูซองสีขาวสะอาดที่จ่าหน้าซองด้วยลายมือบรรจงนั้นอีกครั้ง เอื้อมือจะไปหยิบแต่แล้วก็ชนะไม่กล้าหันกลับไปรินเหล้าดื่มอีกครั้งแล้วนั่งที่แป้นไหวายในคอกบาร์เล็กๆนั้นเอามือเท้าคางตาจับอยู่ที่ซองตรงหน้าด้วยอาการเมือลอยเสียงพื้นไหวเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นน้องสาวคนสวยของอดีตนายจ้างเดินตรงเข้ามา สีหน้านั้นเบิกบานผ่องใสหลอนอยู่ในชุดเสื้อนอนสำลีของเขาเรียบร้อยแล้วครั้งแรกเขานึกว่ามันอาจจะรุ่มร่ามไปสาหรับหลอนแต่ผู้หญิงร่างสูงและในปัจจุบันนี้ค่อนข้างอวบใหญ่สามารถจะใส่ชุดของเขาได้โดยไม่น่าเกลียดผูกพมงไว้ด้วยผ้าพันคอสีเขียวเป็นหางมาอ้าวนี่ยังไม่จัดการตัวเองให้เรียบร้อยอีกเลยคะท่านกำนันหนองน้าแห้ง หม่อมราชวงศ์สาวทักเสียงใสเอื้อมมือมาหยิบแก้วไวน์อันว่างเปล่าของหล่อนพระพินยิ้มตอบหันไปหยิบขวดไวน์เพิ่มเติมให้หล่อนยกขึ้นจิตผมยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการนะครับและผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอความการุณาเถครับเดี๋ยวผเรียกตำแหน่งอันมีเกียดนี้เลยครับดารินหัวเราะเกือบจะสำลักไวน์ นันดูเหมือนจะไม่สนใจกระซองสีขาวที่วางอยู่ตรงหน้าเขาอีกนี่คุณไปอาบน้ำซะสิฉันจะรอคุณนะเนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้ลงไปข้างล่างด้วยกันเมื่อกี้ฉันโผล่ไปดูทางหน้าต่างเห็นลูกศิษย์ของคุณทั้งสี่คนน่ะทำแคมไฟเอาเนื้อขึ้นย่างบนกองไฟแล้วละ่ะท่าทางน่าจะสนุกไม่ละครคุณหญิงผมไม่ชอบอาบน้าเวลาค่ำๆครับหญิงสาวทาตาโต ตายที่จะไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเลยอย่างนั้นเหรอคุณแม้กระทั่งเวลาอาหารอย่างนั้นเหรออาหารมื้อนี้นเป็นอาหารริมกองไฟที่คุณหญิงต้องการจะได้บรรยากาศเหมือนสมัยที่รอนแรมอยู่กลางดงนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะพรนนำทางย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำครับคุณหญิงคุณหญิงเคยเห็นผมอาบน้ำในเวลาค่ำๆกลางป่าแล้วไงคุณนี่สกปรกไม่สางซาเลย วางใจตัวของคุณหนิมเจช่ตัวของฉันถ้าทางนั้นก็ลงไป่ะอ่อหยิบใบขวดนั้นกลับบ้านดีไปด้วยนะอย่างว่าง่ายระพินหันไปหยิบสิ่งที่หล่อนชีบ้บอกและพยักหน้าหญิงสาวเดินนำลงมาก่อนขณะที่ถึงบันไดก่อนจะก้าวลงหล่อนถามว่าคุณจะไปงานแต่งงานของฉันไหม ผมไม่เคยไปงานแต่งงานของชาวเมืองมานานกว่าสิบปีแล้วครับยุเว้นแต่ ง, งานแต่งงานของพวกชาวป่าชาวดอยทั้งหลายแล้วจะไปก็ต่อเมื่อขับไม่ได้จริงๆเท่านั้นตอนนี้ฉันอุตส่าห์มาเชิญคุณด้วยตนเองนะมาเชิญถึงที่นี่ใช่นะะขอบพระคุณครับแต่คุณเปิดลูกกาดใบนั้นได้ยังระพินนี่ จนกระทั่งทั้งสองลงมาถึงพื้นดินเบื้องล่างหลอนถามซ้ำเดืวอการร่าเริงเหมือนเดิมเขาก็อ้อมแอบตอบว่ายังครับผมยังไม่ได้แตะต้องการแผ่นนั้นเลยครับอ้าทาไมล่ะคุณหลอนหันขวับมามองหน้าเอ้นี่คุณไม่สนใจอะไรกับฉันเลยอย่างนั้นเหรอสนใจครับแต่เขายิ้ม ยิ้มตามปกติของคนชื่อรพินไพรวันแต่แววต า, ามีประกายซึมเศร้ามันแฝงอยู่ในเงามืดและหล่อนก็มองไม่เห็นแต่แต่ผมยังไม่กล้าเปิดดูครับใจมันหายหายยังไงบอกไม่ถูกครับนั่นเป็นคำพูดซื่อที่ออกมาจากใจจริงที่สุดคนที่ได้ยินก็ระหนักในกระแสเสียงแต่ทำเป็นไม่รู้ซึ่นนั้นแหละ พูดสะบัดสะบัดมาว่าไม่เปิดดูหรือไม่สนใจก็แล้วไปก็รู้มาตั้งนั้นล่ะว่าคนใจหญิงอย่างคุณน่จะไปสนใจกับอะไรนอกจากสิ่งสาราศัสต์ตามภาษาของคุณจะไปก็ได้หรือไม่ไปก็ตามใจแต่ขอให้รู้ไว้ด้วยกันว่าแต่ขอให้รู้ไว้นะฉันะอุตสามมาเชิญคุณแล้วด้วยตัวเองนะทั้งสองเดินไปโดยไม่ได้กล่าวอะไรกันอีก จนกระทั่งถึงบริเวณใต้ร่มไม้ใหญ่เหนือลำห้วยซึ่งไม่ห่างจากลานหน้าบ้านของระพินเท่าใดนักที่นั่ขนขณะนี้กําลังลุกโชดไปด้วยกองไฟที่สุมด้วยท่อดไม้ขนาดใหญ่พรานพื้นเมืองทั้งสี่คนของระพินกําลังหมุนเนื้อแก้งทั้งตัวที่เสียบไม้อยู่เหนือไฟอย่างนั้นพอเห็นเจ้านายกับนายหญิงเดินเข้ามาถึงทุกคนก็ยิ้มแย้มทักทายและเชื้อเชิญให้นั่ง ทั้งหัคนชุดกายลงบนขอนไม้ริมกองไฟในลักษณะนั่งกันรอบๆเนื้ อ, อย่างกำลังสุกเหลืองหอมกลุ่นมีเครื่องปรุงและจานสังกสีพร้อมมีน้ำซ้มยังมีไห่เหล้าต้มเองของบุญคำวางอยู่ด้วยดารินมองภาพนั้นอย่างชื่นชมจันทำหน้าที่แล่เนื้อบริการให้นายหญิงเกิดดินเหล้าลูกปลาใสากะลาขัดมันส่งมาให้ บุญคำเป็นคนหมุนย่างเนื้อในท่าทีซึ่งแกถนัดเสยเป็นคนเกลีย่ยไฟให้ได้ระดับสม่ําเสมอทุกคนพูดคุยซักถามนายหญิงอย่างร่าเริงเป็นสุขจะมีก็แต่หัวหน้าของเขาเหล่านั้นเท่านั้นที่นั่งเยื้องไปทางด้านขวาของหล่อนกลมหน้ากลมตาแท้เนื้อเก้งอยู่เงียบเงียบเขาเห็นแต่เพียงนายหญิงส่งขวดบรั่นดีไปให้พรานพื้นเมืองทั้งสี่และตัวหล่อนเองรับกลาขัดมัน ที่บรรจุเล่าป่ามาถือประคองไว้ในมือจิตไปพลางคุยไปพลางและรับประทานไปพลางอย่างมีความสุขที่สุดแสงไฟในกองจับผิวหน้าแดงปล่งออกปากกันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยพวกเราไทยหลังจากที่พวกฉันกลับขึ้นกรุงเทพไปแล้วน่ะหล่อนถามรวมๆก็ธรรมดาล่ะครับนายหญิงจันเป็นคนตอบพร้อมกับหัวเราะ พวกเราก็ยังทํางานกันานห้างอัมพลอยู่เหมือนเดิมครับก็ต้องออกมาดักจับสัตว์กันอยู่เป็นประจำอาทิตย์สองอาทิตย์ก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านสักทีครับนี่เมื่อไหร่จะเลิกทําบาปทํากรรมกันสักทีนะดูสิตละคนน่ะหน้าตาละไม้เสือช้างกวางแรกลิงข้างบางชะ น, นีกันไปหมดละนายหญิงบ่นยิ้มยิ้มพวกนั้นปากันหัวรอชอบใจเสยว่า มันไม่บาปหรอกครับในหญิงมันเป็นเรื่องทํามาหากินโดยสุจริตของพวกเรานะครับพวกเราก็ไม่ได้ไปฆ่าหรือรังแกสัตว์อะไรโดยไม่จําเป็นส่วนมากก็จับมันมาเป็นๆส่งไปให้คุณอัมพลเขาแล้วเขาก็ส่งพวกมันไปเลี้ยงดูให้อยู่สุขสบายตามสวนสัตว์ทั่วโลกสัตว์บางตัวที่จับมาได้น่ะมันอยู่ดีมีสุขชิกว่าพวกเราทุกวันนี้อีกครับเฉยเองนะรู้ตัวมา น, นานแล้วครับหน้าหน่ะเหมือนอกกไอ้แกงไอ้เกินน่ะหอหน่อยหน้าเหมือนแม่น หน้าจันน่ะเหมือนสมเสร็จส่วนลุงคำนะ่ะแกว่าสนามมากกว่าใครหน้าเหมือนเลี้ยงผาครับไอชีพหายตอเท่าบุญคำผู้กำลังหมุนเนื้อย่างร้องด่ามาพวกมึงนะไม่เห็นกูต่อหนุ่มๆเพระเอกหนังไทยนะ่ะเทียบกูไม่ตีกรอบวงสนทนาเต็มไปด้วยการเฮฮามีซึมนิ่งอยู่คนเดียวก็คือพรานใหญ่ซึ่งนั่นก็เป็นบุคลิกประจากายแต่ไหนแต่ไรของเขา และเจ้านายของพวกเราน่่นะหน้าเหมือนอะไรเอ่ยสี่คนอมยิม้มไม่มีใครพูดอะไรคนที่ถูกาพาดพิงมาถึงก็เงียบสงบเหมือนเดิมก้มลงแเพะขาเก้งทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินดาริงหยิบ ก, ก้อนกรวดเล็กๆโยนมากระทบที่ไหล่ว่ายังไงจ๊ะพ่อพรานเคยลองส่องกระจกดูบ้างหรือเปล่าว่าหน้าตาของเราน่ยเหมือนอะไร ไม่เคยส่องกระจกหรอกครับนายหญิงเคยก็แต่ตักน้ำใส่กะโหลกแล้วก็ชะโงกดูงเงาก็ไม่เห็นว่าตัวเองจะเหมือนอะไรนอกจากนายราพินไ์ไพรวันคนอาภัพขับโพอับโชคอยู่ตามเดิมนั่นแหละท้านสี่คนไม่มีใครสําเนียบในประโยคนั้นนอกจากคุยหัวรอต่อกระซิบกับนายหญิงตามเดิมแต่คนได้ยินเริ่มหน้าเสียฝืนใจยิ้มแย้ม พูดคุยกับพลันพื้นเมืองเป็นปกติแต่รู้สึกไม่สบายใจยังไงบอกไม่ถูกเห็นไปกระซิบเบาๆเป็นภาษาอังกฤษเพราะไม่ต้องการให้พวกนั้นรู้เรื่องอะไรนะพีนฉันรู้สึกเสียใจตนเองนะที่พลาดพลั้งพูดอะไรให้คนคมในฝกักเชือเฉือนเอาซะอย่างสากใจเอาล่ะขอโทษ ด, ด้วยนะอย่าสนใจอะไรเลยครับ ผมก็พูดอะไรของผมไปตามเรื่องนั่นแหละบะพินตอบเรียบๆแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เออนี่มีใครได้ข่าวขยินหรือมีโอกาสพบกันอีกบ้างไหมเนี่ยดารินพยายามเปลี่ยนเรื่องพวกเราก็พบกัมันอีกครั้งเดียวแหละนายหญิงหลังจากที่แยกกันที่นั่นแล้วไอขยินส่งคนมาตามร้านใหญ่จนถึงที่นี่บอกว่ามีช้างร้ายงาข้างเดียวสีดา มาอาลวาดในหมู่บ้านลมช้างของมันพวกมันตามล่ากันเท่าไรเท่าไรก็ล้มไม่ลงถูกกระทืบบ้างชีกบ้างตายกันไปสิกว่าคนเห็นเหลือกำลังเต็มที่ก็เลยให้นายไปช่วยนายก็เลยต้องไปพวกผมก็ตามไปด้วยเราตามไห้ช้างเวนตัวนั้นกันอยู่เกือบสี่วันนายจึงล้มมันลงได้เปื้งของไอ้ขยินที่นายใหญ่มอบไว้ให้ไม่แรงพอที่จะล้มช้างร้ายตัวนั้นได้หอ ดารินสีหน้าตื่นสนใจข่ า, ขาวนั้นช้างอะไรกันงาสีดำจืบเบาดำเดิมอะไรกันนายหญิงจันบอกพร้อมกับสะบดดาเจออ้าขยินพื้นพัง ม, มันไก่ช้างเกเรธรรมาดาแหละแต่งาหาักไปข้างนึงมันไปแทงต้นไม้อะไรชนิดหนึ่งไว้ยางไม้ก็เลยทำให้งาช้างน่ะดูเป็นสีดำไป ร้านใหญ่ซั์หมอบไปละพวกเราก็ไปตรวจดูถึงได้รู้ว่างามันถูกอาบไปด้วยยางไม้ตัวมันก็ขนาดไอ้แหวงที่นายหญิงยิงตายนั่นแหละเออแล้ว เ, ออลเป็นยังไงบ้างละ่ะขยินเจ้ามูลูกชายกับเมียแล้วก็พวกลูกบ้านลมช่างทั้งหลายนะ่ะสุขสบายกันดีหรือเปล่ามันก็สบายดีของมันไปตามภาษาละ่ะเมียไอ้มูน่ะทองแล้วไอ้ขยินก็คุยโวอยู่เหมือนเดิม แต่เดี๋ยวนี้เลิกกะกะเอเรเลิกประพฤติตนเป็นโจรห้าร้อยแล้วนายหญิงสิอบรมมันไว้ดีมันก็เลยเลิกสันดานอันตพานเก่ า, ก า, กาได้มันยังถามถึงนายหญิงและพวกเจ้านายทุกคนเลยมันบอกว่าฉาตนี้มันคงไม่มีโอกาสได้พบพวกเจ้านายอีกแล้วมันบ่นคิดถึงเจ้านายบุญคําบอกนี่จะถามอะไรสักอย่างนะก็เราต้องสามารถนะว่าต้องบอกตามจริง นารินพูดขึ้นยิ้มยิ้มแต่มองอย่างคาดคันไปยังทั้งสี่พรานมือดีของระพีรับรองนายหญิงบอกตามจริงเลยบุญคำซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนรับคำมาอย่างแข็งขันฉันอยากจะรู้ว่าตั้งแต่เราจากกันในครั้งนั้นแล้วน่ะมีพวกเที่ยวป่ามาไว้ข้าวเจ้านายของพวกเธอให้พาเที่ออยวไปบ้างไหม พวกนั้นทำหน้าพิกดมองหน้ากันเองเหมือนจะปรึกษาแล้วหัวร้อแห้งๆมองไปทางจอมพรานเป็นตาเดียวดาทินเอียงคอไปจ้องระพินตานใหญ่ถอนใจเบาๆพยักหน้ากับคนของเขาเอาละเมื่อสัญญากณนายหญิงไว้แล้วว่าจะไม่โกหกก็บอกไปตามกรองแล้วกันบุญคำยกมือขึ้นลูบหัวพละจักไม้หมุนเนื้อย่างหยิบบุรีใบตองแห้งขึ้นมาข้า และเอาดุนฟืนในกองไฟขึ้นมาต่อพูดอ้อมแอมว่าก็มีเหมือนกันแหละนายหญิงมีครั้งเดียวเป็นพวกฝรั่งทั้งนั้นแหละมากันกี่คนละฮคนนายหญิงมีผู้หญิงไหมบุญคำหัวเราะมีผู้หญิงสองคนนายหญิงสาวป่ะก็ กลางคนคนหนึ่งสาวคนหนึ่งอายุสัก42 2 3ปีคงได้มั้งสวยไหมคนสา ว, วน่ะบุญคำหันไปทางจันเฮ้ยไอ้จันเองช่ยตอบนายหญิงทีเหวอวะขามันคนแก่แล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นจะสวยจะงามนักรอกเห็นสวยเห็นงามอยู่คนเดียวแหละก็คือนายหญิงของขาคนนี้แหละ จันวางหน้าเฉยตอบว่าไม้หญิงครับหาออามสวยไม่ได้เลยสู่ในแมมมาเรียยังไม่ได้เลยหน้ายิ้ตกกราดไปไม่หมดฟังขยิบเหมือนมาใช่แหละอย่าโหกนะดารินเสียงเขียวปี๊ดขึ้นมาทั้งสี่คนแทบสะดุ้งอยู่ไม่โกหกหรอกไม้หญิงแม่คนนั้นน่าไม่สวยจริงๆนี่ ส บ, บานให้แยกกัดตายเสีย่ยเกิดตอบแทนมาบารินฟ้าดุ่นฟืนติดไฟขึ้นมาจากกองไฟทันทีเกิดร้องจ้าลุกขึ้นไปห น, นีออกพ้นระยะโดยจันเสรยบุญคำทาทําเา่ร่อนๆหนังหนาไปตามกันนายย่าหญิงยิ้มดูดดเอาดุนฟืนที่ไฟกำลังลุกติดชี้หน้าพรานทั้งสี่คนเห็นไหมแค่นี้ก็จับได้แล้วว่าโกหก ระวังให้ดีเถอะทั้งสี่คนนั่นแหละเคยไม่สบายไข้ป่วยกลางป่าและถูกฉันวางยาสั่งไว้แล้วแต่ถามอะไรพูดจริงยาพวกนั้นก็จะเป็นยารักษาโรคแต่ถ้าโกหกเมื่อไหร่จะเกิดเป็นพิกชักนิ่งชักงอเป็นมอยเป็นหมดทั้งทุกคนจ้ะตายไปายไ ป, ไ ป, ไปทั้งสี่คนนั่นแหละตายได้แล้วฉันชักหมันไส้เต็มประดาบุญคำจันเกิดและเสยทาหน้าม้อย พากันเดินเรียงแถวแผลจากที่นั่นไปพอคอยหลังก็พากันหัวรอดคิดคักปล่อยให้เจ้านายนั่งประเชิญหนา้ากับนายหญิงตามลำพังดารินยกมือกอดอกตะแคงหน้าส่งสัยตาเป็นมันขับมาที่เขาเห็นไหมคิดแล้วเชียวเสียงเบาๆลอยมาจอมพานยนกระดูกเข้าไปในกองไฟเอามือเช็ดกระผ้าเขามาและหันมาสบตา ขณะที่ควักบุรีออกจากกระเป๋าเสื้อผมมีความผิดอะไรหรือครับคุณหญิงก็ไม่ผิดอะไรหรอกในการที่อุตส่าห์อยู่ถึงกลางดงพงไพรแต่ก็ยังมีสาวสาวหลายชาติหลายภาษามาป้วนเปลี่ยนเป็นยาจรุงใจอยู่ไม่ขาดระยะไม่น่าละ่ะถึงไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพออกจากป่าสัทีไม่มีใครมาเป็นยาจรุงใจสําหรับคนอาภัพอย่างผมหรอกครับ ทุกคนมีวัตถุประสงค์ในการมาเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งนั้นบางคนมาเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินใจและหาประสบการณ์ของตัวเองบางคนก็มา้วยธุราการงานและไม่ไว่าจะมาโดวยวัตถุประสงค์ใดฐานะของผมก็คือลูกจ้างพรานนำทางเท่านั้นครับถ้าจะมีทิ้งไว้บ้างจากคนที่ผ่านมาในฐานะเจ้านายของผมก็คือความปวดร้าวทรมานใจเท่านั้นครับ ใครล่ะที่ทำให้คุณป Ł วดร้าวทรมานใจอะแล้พินหัวร้องในลำคอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับความรู้สึกบอกกับตนเองว่าผมน่ะเกิดมาเพื่อที่จะสูญเสียไม่ใช่เกิดมาที่จะได้ตลอดชีวิตนี้ครับคุณโกรดใช่หเหรอที่ฉันบอกกับคุณว่าฉันกําลังจะแต่งงานรือสักจริงนะเปล่าครับ เขาตอบอย่างสุภาพที่สุดมองประสานสายตาของหล่อนอย่างบริสุทธิ์ใจพร้อมกระยิ้มให้แล้วคุณก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรใช่ไหมในการที่ทั้งๆ ท, ท, ที่ฉันจะแต่งงานแล้วฉันก็ยังย้อนกลับมาหาคุณฉันยังมาขอพักที่นี่สำหรับคุณหญิงแล้วก็ไม่เห็นแปลกอะไรหรอกครับคุณหญิงชอบทำได้ทุกอย่างที่คุณหญิงต้องการจะทา ผมไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือปลาใจอะไรแม้แต่นิดเดียวที่คุณหญิงบอกว่าจะมานอนพักที่นี่ผมรู้จักคุณหญิงดีเท่าทากับที่คุณหญิงก็รู้จักผมใช่ฉันรู้จักคุณเป็นสุภาพบุรุษเป็นยอดชายที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วโเถอครับโปรดอย่าไปชดผมนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับ ผมไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเป็นยอดชายอะไรหรอกผมเพียงแต่รู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรผมคิดว่าคุณหญิงมานั่งตากน้ำค้างที่นี่ก็นานพอครูแล้วนะครับอากาศที่นี่ก็เย็นมากขึ้นไปบนเรือนนะครับคุณหญิงจะได้พักผ่อนเห็นบอกก็เมื่อคือนนี่นอนดึกแล้ววันนี้ก็กาดกรรมนั่งรถมาทั้งวันแล้วนี่ครับเขาลุกขึ้นส่งมือไปให้จับอย่างอ่อนโยนแต่ดารินไม่จับมือเขา ลุกขึ้นเองช้าๆเดินทอดนอกตรงไปยังเรือนพักรพินตามมาใกล้ๆทั้งสองกลับขึ้นมาบนเรือนอีกครั้งเมื่อถึงห้องรับแขกกลางอันติดต่อกับห้องนอนของเขารพินก็ผายมือทั้งสองกว้างออกยิ้มพรายนึกซะว่าเป็นบ้านของคุณหญิงเองนะครับโปรดทำตัวให้สบายที่สุดถ้ายังไม่ง่วง ไม่อยากให้ผมอยู่รับใช้อะไรก่อนผมก็จะอยู่ครับดารินเลิกคิ้วขึ้นน้อยๆแล้วถ้าเผื่อฉันง่วงล่ะรับพินผายมือเข้าไปในห้องโปรดนอนในห้องผมครับมีเตียงมีฟูกหนาพอสมควรมีผ้านวมถึงแม้จะไม่หรูหราสะดวกสบายเท่าที่บ้านของคุณหญิงเองหรือว่าโฮเทลชั้นซูเปอร์เดลูกแต่มันก็สบายกว่าที่ไหนๆในหนองน้าแห้งทั้งหมด แลวผมก็จะได้กล่าวนิกาสวัสด์กับคุณหญิงตรงนี้ครับแล้วคุณจะไปนอนที่ไหนล่ะแรพินโอ้ยจอมพานร้องปนหัวเราะที่นอนของผมนี่เยอะแยะครับอย่าห่วงเลยไปเดี๋ยวผมจะเรียกเด็กผู้หญิงให้ขึ้นมาคอยรับใช้แล้วก็นอนเป็นเพื่อนคุณหญิงสักสองสามคนครับคุณปฏิบัติกระแขกผู้หญิงที่มาขออาศัยพักอยู่บนบ้านของคุณแบบนี้ทุกรายเหรอกระพิน ทุกรายครับแล้วนี่คือระพินไพรวันใช่ไหมเขาไม่ตอบนอกจากหัวเราะบอบเบาอาล้าหากว่าฉันยังไม่ง่วงอยากจะนั่งดื่มแล้วคุยอะไรกับคุณอีกสักครู่ล่ะคุณจะรังเกียจไหมด้วยความยินดีและเต็มใจครับอ่ะงั้นก็ดีละร่อนยอนไกยลงบนเก้าอี้ของโต๊ะกลางห้องชี้มือไปที่บา ในฐาน้าที่คุณเป็นเจ้าของบ้านนะเดินปฏิบาร์ของคุณนะ่ะหยิบไวกระแก้วมาฉันด้วยส่วนคุณจะดื่มอะไรก็หิ้วติดมือมาแระพินก้มศีรษะให้นิดหนึ่งยิ้มยิ้มแล้วเดินไปปฏิบัติตามคำสั่งราวกับคนใช้ฉันดีเขาวางสิ่งที่หล่อนต้องการลงบนโต๊ะตรงหน้าอย่างแผ่วเบาของตนเองนะเป็นแต่เพียงวิสกี้ลอยด้วยน้าแข็งแก้วเครืองที่ผสมมาเรียบร้อย ขณะนั้นหลอนเปิดถุงย่ามหยิบซองบุหรี่ของตนเองขึ้นมามวหนึง่งแตะไว้ที่ริมฝีปากระพินขีดไลเตอร์ป้องส่งไปให้หญิงสาวพ่นควันลงกล่บนความเยอสูวางมากแท้จริงแล้วคุณเป็นคนน่ารักเหลือเกินนะระพินเคยมีใครพูด ก, กับคุณอย่างนี้บ้างไหม่านใหญ่หัวเราะอีกครั้ง มีครับมีนับครังไม่ถ้วนทีเดียวแต่น่าเสียายครับที่บุคคลเหล่านั้นเมื่อพูดกับผมอย่างนี้แล้วเขาก็ไปแต่งงานบางคนก็มาบอกข่าวว่ากำลังจะแต่งงานนี่ผมหมายถึงสุภาพสตรีนะครับระพินบนความเยโสหรางมากแท้จริงแล้วนะคุณเป็นคนน่ารักเหลือเกินเคยมีใครพูด ก, กับคุณเช่นนี้บ้างไหมคะพรานใหญ่หัวเราะอีกครั้ง มีครับนับไม่ท้วนทีเดียวแต่น่าเสียดายครับที่บุคคลเหล่านั้นเมื่อพูดกับผมอย่างนี้แล้วบ้างก็ไปแต่งงานบ้างก็มาบอกข่าวว่ากำลังจะแต่งงานผมหมายถึงสุภาพสตรีนะครับแล้วมีบ้างไหมที่สุภาพสตรีผู้กำลังจะแต่งงานเข้ามาหาคุณถึงที่นี่ขอพักแรมคืนบนนี้แล้วก็บอกคำนั้นกับคุณนะ่ะย่าไม่มีครับ บทเขาจะแต่งงานเขาก็แอบไปเฉยๆโดยไม่บอกให้ผมได้รู้ล่วงหน้าถ้าจะมีก็เห็นจะเป็นคุณหญิงไงละครับเป็นรายแรกซึ่งผมถือว่าเป็นการให้เกียรติผมเป็นอย่างมากเกียรติที่ผมไม่เคยได้รับจากผู้หญิงคนไหนทั้งสิ้นและสิ่งนี้กระมังครับที่คุณหญิงบอกว่ามีเรื่องที่จะพูดกับผมตอนที่อยู่ในรถใช่ก็เรื่องนี้แหละนั่งสิครับะพิน ยืนเป็นพนักงาน ร, รับใช้อยู่ได้นั่งบนเก้าอี้ตัวใกล้ๆฉนี่แหละระบพินสชุดกายลงนั่งอย่างสงบสงเงียมหล่อนพยายามสังเกตสีหน้าอาการของเขาไม่เห็นมีสิ่งใดผิดปกติทั้งสิ้นสีหน้านั้นราบเรียบสุภาพและเอาเอกเอาใจอยู่เหมือนเดิมคนคนนี้ใจหินแท้ๆหล่อนบอกตอนเองในใจ เขาจิบพิสกี้ลอยแก้วมองหล่อนอย่างปราศจากอาการหมังเมินใดๆทั้งสิ้นคุณหญิงจะคุยหรือจะบอกอะไรกับผมอีกก็เชิญเถอะครับดารินหมุนแก้วไวน์เลิกคิวแล้วก็ยักไหลนน่นิดหนึ่งนี่คุณจะไม่ยอมแม้แต่จะเปิดดูกา้าที่ฉันส่งให้คุณด้วยมือฉันเองอย่างนั้นเหรอน้ำเสียงนั้นพอนิดนิด ก็ทราบอยู่แล้วนี่ครับก็เป็นลัตรแต่งงานไม่ใช่ผมจะไม่เปิดดูหรือไม่สนใจหรอกครับแต่มันตื่นเต้นเกินไปครับก็เลยมาวางไว้ก่อนกล่าวว่าพอคุณหญิงจากที่นี่ไปแล้วก็ค่อยๆเปิดดูแล้วก็จะเก็บไว้อย่างดีที่สุดจะไม่ทิ้งเด็ดขาดผมให้สัญญาครับว่าเต็คุณเถอะนี่ไม่คิดจะมียา่ามีเรือนเป็นฝั่งเป็น ฝ, นฝาสัทีหรือไง ชีวิตนี้เห็นจะยากครับอาชีพอย่างผมมันไม่เหมาะที่จะมีลูกมีเมียหรอกครับมีคุณแม่อยู่คนก็ห่วงจะแย่อยู่แล้วนี่ละพินเรามาพูดกันเป็นกิจจรลักษณะดีกว่านะคุณจะเลิกชีวิตการป่าหมกตัวหมกตัวอยู่แต่ในดงแบบนี้จะไม่ได้หรือไงความรู้ความสามารถของคุณก็มีอยู่พอสมควรอ้จะว่ายากจนค้นแคนก็ไม่เชิงนะ คุณมีฐานะพอที่จะเปลี่ยนอาชีพการงานของคุณได้นี่เราพูดกันเรื่องจริงนะคุณอย่าพูดอะไรเป็นเชิงถ่อมตนเกินกว่าเหตุจ้เอาละครับผมก็จะพูดเรื่องจริงเหมือนกันระพินถอนใจยาวพร้อมกระหัวเราะเบาๆเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้ท่อตาจับนิ่งอยู่ที่ใบหน้างามที่ฝันเห็นอยู่ทุกคืนไม่เปลี่ยนคุณญิงครับ คนเรานี่มีความเหมาะสมและก็พอใจเฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ชอบชีวิตพุกพล่านสับสนแย่งกันทามาหากินของคนในเมืองที่เต็มไปด้วยการทรยศหักหลังหลอกลวงปลิ้นปล้อนสวมหน้ากากเข้าหากันจริงอยู่ครับผมผ่านโลกเจริญมาแล้วมีการศึกษาดีพอสมควรผมไม่เถียงแล้วก็ไม่ถอมถึงฐานะผมเองในขณะนี้จะไม่ร่ารวย ก็ไม่ถึงกับอดอยากปากแห่งนกมีมะระดกเหลือบ้างเล็กน้อยพอจะอาศัยอยู่กินและหางานทําไปได้หรือถ้าคิดจะมีครอบครัวจริงๆก็พอมีได้เหมือนกันผมก็คงจะเลี้ยงปัญญาของผมได้โดยไม่ถึงกับอดกระหยาดถึงแม้จะไม่หรูหราเหมือนคนมั่งมีสีสุขก็านักก็ตามจะทํายังไงได้ล่ะครับนรืว่าผมชอบความสงบเงียบชอบมีชีวิตอย่างสันโดษแล้วก็พอใจในสภาพ หรืออัตภาพของตนเองในขณะนี้เป็นที่สุดผมอยู่ป่ามานานจนกระทั่งมีความผูกพันเป็นส่วนประกอบของมันยากที่จะถอนตัวได้เชลแล้วละครับแม้แต่คุณรักผู้หญิงสักคนผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้มีอิทธิพลพอที่จะทำให้คุณเลิกความคิดเดิมๆทีเดียวเหลยคับคุณรักชีวิตป่าดงของคุณมากกว่าที่จะรักผู้หญิงคนนั้นเหลย หล่อนมีความหมายในคำพูดและปรารถนาคำตอบของเขาอย่างแท้จริงปราศจากแววของการพูดเล่นและพิงวางแก้วลงกับโต๊ะหมุนเล่นคุณหญิงครับผู้หญิงคนที่ผมรักนะครับเธอมีศักดิ์สูงเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างเหนือผมไปหมดและผมก็ไม่มีความหวังอะไรในตัวเธอ แ้วเจีบผมทํายังไงล่ะครับรับพยินสมมุตินะสมมุติว่าคุณมีความหวังอยู่ล่ะสมมุติว่าผู้หญิงคนนั้นเขาพร้อมที่จะร่วมชีวิตกับคุณโดยมีเงื่อนไขว่าขอให้คุณสละชีวิตเดิมๆซะมันก็แค่สมมุติเท่านั้นแหละครับผู้หญิงคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตที่ผ่านมา กำลังจะแต่งงานเสร็จแล้วนี่ครับก็ถ้าการแต่งงานนะ่ะยุติหรือหลีกเลี่ยงได้ล่ะจอมพลานมองสบตาอีกครั้งยิ้มไม่สดใสนะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับนั่นเป็นข้อที่หนึ่งส่วนอีกข้อหนึง่งโปิดฟังผมแล้วก็ไต่ตรองให้ดีนะครับผมยอมรับครับ ว่าผมเป็นผู้ชายที่หญิงและถือตัวพอสมควรทีเดียวผมไม่บังอาจที่จะไปเกี่ยวข้องร่วมหัวจมท้ายหรือพูดตรงๆว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงที่สูงกว่าผมในทุกด้านได้มันเป็นสิ่งที่ผมละอายแก่ใจและเป็นปมด้อยของผมอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะได้ร่วมชีวิตกันต่ปไปสักคาใดคำหนึ่งที่ผู้หญิงคนนั้นบังเอิญพูดให้สะกิดหรือสะเทือนใจผม ชีวิตที่ร่วมกันก็จะพินาศทันทีก็เมื่อรู้ตัวล่วงหน้าอย่างนี้แล้วผมจะกล้ารจริงครับเรื่องหัวใจนะห้ามกันไม่ได้ผมอาจรักใครก็ได้แต่นั่นก็เป็นแต่เพียงความคิดความรู้สึกเท่านั้นจใจสมรักสมปรารถนาเนะี่ยมันเป็นการอาจเอื้อมเกินไปเป็นการไม่เกียมกะลาหัวผมขอพูดเช่นนี้แ่ะครับถ้าผู้หญิงคนที่ผมรัก ไม่เป็นเชื้อพระวง์ไม่ร่ำรวยทั้งยศถาทรัพย์สริพานตลอดจนไม่ถึงกับมีความรู้ความสามารถจนถึงขั้นครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่โอเคเราไปด้วยกันได้แต่นี่ดารินแมมริมฝีปากในตาขึ้นเต็มไปด้วยประกายท้อแท้สิ้นหวังแต่แล้วก็กลับสว่างจ้าด้วยทิพถ เกิดมาเป็นดารินวราริศหล่อนไม่เคยยอมแพ้ต่ออะไรทั้งสิ้นกระพินคะฉันมีความรู้สูงเกินไปฉันมีชาติสกุลสูงเกินไปฉันนั่รวยเกินไปสามสิ่งนี่แหละค่ะที่ทำให้ฉันต้องพลาดผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชีวิตจิตใจของฉันทั้งหมดคุณตอบฉันทีสิคะ คุณหญิงครับคุณหญิงคงเคยเห็นเสือโคร่งในป่าใช่ไหมครับเคยเห็นทำไมอ่ะแล้วคุณหญิงก็คงเคยเห็นหงผมหมายถึงสวอนนะครับที่ลอยฟ้องอยู่ในสระน้ำเคยเคยเห็นไหมครับแล้วยังไงคุณหญิงครับเสือโคร่งนี่ย น, นะมันจะคงความเป็นเสือมีสนาราศี ก็ต่อเมื่อมันเดินอย่างอิสระของมันอยู่ในป่าเท่านั้นถ้ามันเข้าไปอยู่ในเมืองเมื่อไหร่เป็นต้นว่าจับไปขังกรงต่อนนี้ให้เลี้ยงไว้อย่างดีแค่ไหนมันก็เป็นแค่ไอเสือขี้เรื่อนตัวหนึง่งสวรก็เหมือนกันนะครับมันจะคงความสง่า ง, งดงามก็ต่อเมื่อมันลอยฟ้องอยู่ในสัตว์ถ้ามันขึ้นมาเดินบนบกเมื่อไหร่ก็หมดทา เพราะมันก็เดินต่อแตกเป็นเป็ดแล้วดีๆนี่เองครับฉันไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรระหว่างเราสองคนเลยนะครับพิงเกี่ยวสิครับเกี่ยวมากด้วยผมคือเสือตัวนั้นแล้วคุณหญิงก็คือสวอนหรือหงตัวนั้นครับผมจะกลายเป็นเสือขี้เรื้อนถ้าผมอยู่กับคุณหญิงในเมืองเท่ากับที่คุณหญิงจะแปรสภาพจากสวอนมาเป็นเป็ดทันที ถ้าคุณหญิงมาอยู่ในป่ากับผมแลวผมก็เห็นว่าคุณหญิงคิดได้ในข้อนี้เหมือนกันคุณหญิงจะต้องแต่งงานกับคนอื่นไปทั้งๆที่คุณหญิงก็รักผมซึ่งผมก็เข้าใจได้ดีที่สุดดารินอึ้องไปครู่อัดควันบุหรี่ลึกแคนี้คุณไม่เสียใจเลยเหรอคะเสียใจใช่ครับ แต่ผมต้องปรงให้ตกแล้วก็ยอมรับสบภาพเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณหญิงไม่ต้องกลัวครับว่าผมจะฆ่าตัวตายหรือเสียผู้เสียคนไปผมก็อยู่ของผมอย่างนี้แหละนั่งขอสมมุติอีกครั้งได้ไหมจะสมมุติอะไรล่ะครับแม่คุณหญิงไม่มีเรื่องสมมุติแยะจังเขาพูดปนหัวเรา พยายามที่จะทำบรรยากาศให้เป็นการสนทนาที่ดีขึ้นใช่ฉันเป็นคนชอบสมมุติสมมุติอะไรมันก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยแหละตามภาษาคนเป็นโรครักจะบ้าตายอยู่แล้วสมมุติว่าฉันหนีการแต่งงานนล้วมาอยู่กับคุณที่นี่ไงระพินมองด้วยสายตาขบขันกึ่งฉงนคุณหญิงไม่ใช่สาวรุ่นที่จะที่ปราศจากความยั้งคิด คือเป็นภาตปัญญาถึงขนาดนั้นนะครับนี่คุณอย่าแย้งยันสิก็ถ้าฉันทำอย่างนั้นได้จริงๆคุณจะรักฉันไหมผมก็อยากจะถามคุณหญิงก่อนนะครับว่าที่คุณหญิงกำลังจะแต่งงานนี่เนะี่ยถูกบังคับอย่างนั้นเหอรอลอนสันศีรษะไปมาโดยเร็วอย่างขัดใจไม่รู้ นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ฉันจะต้องตอบนี่คุณแต่คุณตอบในสิ่งที่ฉันถามเท่านั้นเป็นพอฉันถามว่าคุณจะรับหรือไม่รับอยากรับครับแต่คงรับไม่ได้ครับคุณหญิงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวยังมีพี่ชายที่ผมเคารพนับถืออยู่อีกสองคนและยังมีเครือญาติของคุณหญิงอีกแล้วครับผมไม่กลัวบุคคลเหล่านั้นหรอก แต่ผมไม่ต้องการกระทำสิ่งใดที่ขัดต่อมโนธรรมของผมครับคุณไม่ได้กระทำนะกระพิมในกรณีนี้นะ่ะแต่เป็นการกระทำของฉันเองก็นั่นแหละครับตบมือข้างเดียวนะ้ำมันไม่ดังหรอกถ้าผมไม่รู้จักกับคุณชายเชิฐาหรือคุณชายอนุชาเสีอย่างเดียวผมคงยินดีเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น เอาคุณหญิงมาแต่งงานตามพิธีชาวป่าชาวเขาอย่างผมเลี้ยงเนื้อเสือเนื้อช้างให้สุกสาราญกันทั้งหมู่บ้านจะเกณฑ์พวกคนป่ามาร่วมพิธีให้หมดใช่ลหครับประโยคหลังเขาพูดเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ขันนี่สรุปว่าคุณนะขัดข้องอยู่ประการเดียวใช่ไหมในข้อที่ว่าฉันน่ะจะหนีการแต่งงานหรือหนีคู่มั่นมาอยู่กับคุณอันทาให้คุณรับไม่ได้ ราพินหลงกลเผลอตัวพยักหน้ารับครับข้อนี้แหละราดินงยกมือขึ้นชูระดับไหลราพินคุณมีสัจจะในคำพูดของคุณนะสา บ, บานครับผมสา บ, บานในสัจจะข้อนี้ครับว่าที่คุณไม่อาจรับฉันไว้ได้ก็เพราะฉันกำลังจะแต่งงานอยู่แล้ว ใช่ไอเรื่องเสือโคร่งขี่เรือนหรือเรื่องสวรรกลายเป็นเป็ดไม่ได้มาเป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับเรื่องนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่าเรื่องนี้ครับดารินซ่อนยิ้มพริ้มตาหลับยื่นหน้าไปใกล้เขากระซิบถ้างั้นหยุดชันสิคะกระผิดเห็นจะไม่เหมาะนะครับ ทำไมคุณพบหน้าฉันครั้งแรกคุณยังกอดยังจูบฉันได้เลยมันมันเป็นความบิดของคุณหญิงเองนะครับแล้วก็เป็นความโง่งั่งของผมที่ไม่รู้มาก่อนว่าคุณหญิงกาลังจะแต่งงานอยู่แล้วนะครับน่าจูบสักนิดหนะ้านิดเดียวเท่านั้นแหละดูสิคนอะไรให้ผู้หญิงมาอ้อนวอนอยู่ได้ผู้ชายบ้าอะไรก็ไม่รู้ กู้ชายอย่างนายรับพินนี่แหละครับถ้าผมเป็นคู่มัน่นหรือเป็นคนที่กําลังจะแต่งงานกับคุณหญิงผมก็คงไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่คู่มั่นผมจะไปขอผู้ชายอื่นจูบ ก, ก่อนวันแต่งงานนะครับดารินถอยตัวออกห่างถอนใจเบาๆหยิบบุหรี่มาจุดสูบอีกตัวหนึง่งโดยไม่รับไฟจากไลเตอร์ในมือของเขาที่ป้องมาให้แต่หยิบไลเตอร์ของตนเองขึ้นมาจุดพูดเรียบๆว่า วันอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณระพินได้ครับในสิ่งที่ไม่ผิดธรรมะของลูกผู้ชายอย่างผมวันเดินไปที่เคาน์เตอร์หน้าบารนั้นแล้วหยิบซองบัตรอันนั้นมาจอมบัตรจอมพรานลุกขึ้นโดยดีตามคาสั่งเดินไปหยิบซองสีขาวที่จ่าหน้าถึงเข้ามาส่งให้ฉันไม่ได้ให้คุณเอามาส่งให้ฉัน แต่ฉันขอบังคับให้คุณดึงการ์ดใบนั้นขึ้นมาแล้วก็อ่านดังๆให้ฉันฟังพรับิงชักหมองหน้าคุณหญิงครับคุณหญิงจะเชื่อเฉือน้ำใจผมไปถึงไหนครับฉันบอกให้ดึงการ์ดใบนั้นออกมาอ่านได้ยินไหมเสียงของหล่อนเกือบจะเป็นตะหวาดจอมพรานยักไหลยิ้มแค่น และเปิดฝาซองที่ไม่ได้ผนึกดึงก๊าซอันทาด้วยกระดาษแข็งเดินขอบทองใบนั้นขึ้นมาดูมือเริ่มสั่งหน้าแรกเป็นก๊าซสีขาวโล่งปราศจากตัวพิมพ์ใดๆทั้งสิ่งเขาคงพลิกขึ้นผิดทางจึงพลิกกลับอีกด้านหนึ่งมันไม่มีข้อความตัวมันไม่มีข้อความตัวพิมพ์ใดๆที่เขาหวังไว้ว่าจะเป็นเลย หากันเป็นลายมือเขียนด้วยตัวหวัดแกมบรรจงข้อความสั้นๆซึ่งข้อความนั้นทำให้เขายืนตะลึงตัวแข็งเป็นหินลืมหายใจไปชั่วขณะไหนอ่านซิอ่านออกมาดังๆเลยงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชาทานที่ไหนแล้วใครคือเจ้าบ่าวของฉันอ่านซิ รบพินไทวันกระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นที่สุดใบหน้าซีดคล้ำบัดนี้กลายเป็นแดงกำ่ำพึมพำเสียงแหบๆคุณหญิงเอาละ่ะเห็นก็ความนั่นแล้วใช่ไหมคุณไปได้แล้วฉันจะนอนละ่ะและสำหรับคืนนี้โปรจะได้มาให้เห็นหน้าอีกพรุ่งนี้ ปีห้าตื่นแล้วไปส่งชั้นที่สถานีกักสัตว์ของคุณอำพลตามเดิมพระพินตรีเข้ามาจะสวมกอดไว้แน่อกแต่ดารินผลักเซห่างออกไปมือล่วงลงไปในย่ามกระชากปืนพกลำกล้องสั้นออกมาถือไว้ลงไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้อย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกเลยแม้แต่ก้าวเดียว ไม่งั้นเจอลูกปืนแน่แล้วก็ไม่ต้องให้ใครขึ้นมาเป็นเพื่อนฉันทั้งสิ้นฉันนอนคนเดียวไปแพงใหญ่หน้าซีอีกครั้งพอหล่อนตาวาดลั่นบ้างพร้อมทั้งยกปืนจ้องมาที่ศีรษะก็เดินคอตกเสื่องเสื่องจะลงบันไดไปโดยดุจสนีภาพเสียงแหวของดารินไล่หลังมาอีกโยนก้านใบนั้นคืนมาชันเดียวนี้ ธุระอะไรจะต้องถือติดมือไปด้วยล่ะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะรพินเหลียวหน้ามาบอกเรียบๆว่าผมไม่คืนให้หรอกบาทเนี่ยจากหน้าถึงผมก็ยอมเป็นสิทธิ์ของผมคุณหญิงจะยิงผมก็เชิญนี่ว่าแล้วเขาก็เดินลงบันไดไปเงียบๆดารินกระพือเท้าอย่างขัดใจ ห, หึดฮัดหันรีหั น, หนขวางอยู่ไปมา แล้วเดินเข้าห้องนอนของเขาปิดประตูโครมลั่นกรอนอย่างแข็งแรงพร้อมทั้งกระโดดขึ้นเตียงดึงผ้านวมปลายเท้าขึ้นมาคลุมตลอดศีรษะแต่แล้วก็ตวัดเปิดหน้าออกกัดริมฝีปากตาขุนเขียวมองจ้องขึ้นไปบนฟ้าเพดานระพินเดินสู่บุหรี่ช้าๆไปตามลานดิน บ่ายหน้าไปทางกระท่อมที่พักพรานพื้นเมืองของเขาตลอดทางที่ทอดน่องไปหัวใจของเขาฉีดแรงเต็มไปด้วยอิมอากระสาบใจจนสุดที่จะพัณ น, นาได้ถูกเปิดไปใายเดินทางขนาดเล็กที่ติดตัวอยู่2องอ่านข้อความในก๊์ดนั้นกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นนับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งมาสะดุดตอไม้เซหกล้มนอนหงายกลิ้งลงกับพื้น เขาไม่สนใจนอกจากจะหัวเราะกับตนเองนอนหงายอยู่กลางลานดินส่องไฟอ่านข้อความนั้นอีกอย่างไม่อนาทรว่าหน้าแข่งที่กระทบตอจะเปิดเปิงถลอกเลือดซิบเช่นไรบ้างกระพินคะน้อยบุกบันมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาเป็นเจ้าสาวของคุณในเรือนหอบ้านทาสานของคุณค่ะดาริน วรารินั่นคือข้อความที่เขียนหวัดแกมบรรจงด้วยลายมือของหล่อนเองแม่ดอกฟ้าดาริงคนนั้นกระพิงยิ้มกับดาวทุกดวงที่พราวพายอยู่บนท้องฟ้ายกบัตรนั้นขึ้นจูบหนักหน่วงแล้วแผ่แขนทั้งสองกว้างออกไปราบกับพื้นไม่แคร์กระสายลมหรือน้ำค้างป่าที่กำลังพรมหนักหัวใจของเขายามนี้ อุ่นนัไม่สนใจใยดีกับภาวะแวดล้อมรอบ ก, กายใดๆทั้งสิ้นบัตรใบนั้นวางแนบไว้กับอกซี่หัวใจดารินหลับไปนานแล้วแต่ทันใดนั้นก็ต้องสะดุ้งลืมตาพโพล่ขึ้นด้วยเสียงตะโกนเรียกโวกเวกกดังลั่นแววไม่กากลานดินหน้าบ้านนายหญิงครับนายหญิงเับ เสียงนั้นตะโกนเอ็ดอึนซ้ำซ้ำซักซ่ากลอนจำได้ว่าเป็นเสียงของตาข้าวบุญคําระคนไปกระเสียงเกิดเสยหรือกันพูดปรึกษาอะไรกันจอกแจกไปหมดมรดชวงศ์สาวพรวดพลาดลุกขึ้นโดยเร็วบนเรือนไฟสว่างอยู่ทุกห้องกลอนคว้าปืนพกวิ่งมาที่หน้าต่างชะโงกออกไปเห็นเงาตะคุ่งของคนสามสี่คนยืนมุงกันอยู่หน้าบันไดบ้านอะไรกันอะไรกันบุญคา อะไรเหรอหลอนระโกนถามลงไปครับพวกผมเองครับนายหญิงทำไมมีอะไรเหรอดารินร้องเร็วปรือลงไปพร้อมกัะใจหายว่าคุณดาพินครับนายหญิงแป็ไม่สบายมากครับกำลังจับสันเป็นลูกนกพูดเอ๊ย ไ, ไม่รู้เรื่องครับ หมอดารินร้องเสียงหลงตกใจคุณรพินไม่สบายครับตัวร้อนอยังก็ไฟเลยโรคเก่ากำเริบครับผู้ร้องบอกขึ้นมาคราวนี้จำได้ว่าเป็นเสียงเกิดหม่อมราชวงศ์สาวอุทานออกมาคำหนึง่งภาวะ า, าวังหมุนไปรอบๆคำว่าโรคเก่าของระพินหล่อนเข้าใจดีที่สุดและรู้เช่นเห็นชาติมาหลายครั้งแล้ว มันคือมาลาเรียเรื้อรังซึ่งหลอนเคยเห็นอาการมาแล้วเสียงพวกนั้นช่วยกันตะโกนร้องเร่งมาอีกยิงสาวปราดเข้ามาที่เสื้อคลุมที่เขามอบให้ตอนถับน้ำหยิบขึ้นมาสวมโดยเร็วผูกสายรัดเอวไว้สอดปืนสั้นลงกระเป๋าเสื้อคลุมตัวนี้แล้ววิ่งออกจากห้องลงบันไดามาอย่างชนิดดวนกีชนิดแทบจะพลัดตกลงมาพอถึงพื้นพวกนั้นก็รุมล้อมเข้ามาอาการเขาเป็นยังไงบ้างละ่ะ ยังเดิมที่เคยเป็นหรือเปล่ารอนถามยังกระรถไฟด่วนเกา็ยังเดิมนั่นแหละครับไม่รู้จะหายขาดสักทีนี่ยังดีนะครับวันอายิางมาพักที่นี่คืนนี้ไม่งั้นพวกผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงกานบอกกระละ่ำกระละักเขาอยู่ที่ไหนละ่ะแล้วก็เริ่มจับสันตั้งแต่เมื่อไหรเริ่มตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบครับพวกผมก็ไม่ทราบลุงคำจะเดินออกมาพบ เห็นคุณดาวินกันนอนอยู่กลางลานไม้ต้นไม้นนท์คุบคู้สันงักงักๆั ก, ก, กไม่สะาดกันไปนอนอยู่กลางดินตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงคำไปปลูกพวกผมขึ้นมาช่วยกันแบกแกเข้าไปในกระต้อของลุงคำนน่นแล้วก็ชวนกันมาปลูกนยายหญิงนี่แหละครับเสยบอกดารินเลิกแขนเสื้อขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลาตีสองเศษหลอนจำได้ว่าไล่เขาลงจากบ้านมาตั้งแต่ประมาณสามทุ่มกว่า ไปยังไงไมายังไงพอเจ้าพระคุณคนยโสนั่นถึงได้ไปนอนจับสันอยู่กลางดินจนลูกน้องออกมาพบค่ะไหนพาฉันไปดูสิเร็วอย่างรุ่มร้อนกระวนกระวายดารินวราฤทธิ์เดินตามหลังพวกพรานพื้นเมืองซึ่งใช้ไฟฉายเดินทางส่องนำหน้าไปโดยเร็วตัดไปตามลานหน้าบ้านพักเข้าสู่เขตไรเ่เล็กๆที่ชาวบ้านแถบนั้นปลูกเอาไวา้ เพียงไม่นานก็มาถึงกระต้อบมุงแฝกหลังหนึ่งที่ประตูเป็นไม้ไผ่สารเปิดอ้าอยู่ภายในสว่างด้วยตะเกียงลานและมีตะเกียงรั่วแขวนอยู่หน้าประตูบนแค่ที่ยกขึ้นจากระดับพื้นดินสูงประมาณหนึ่งเมตรร่างของพ่อพรานตัวดีของหลอนนอนงอเป็นกุ้งเผาหันหลังให้ประตูมีผ้าถุยเก่ า, กาคลุมโปงอยู่เสียงครางฮือฟันสั่นกระทบกันอยู่กึกๆึ อาการสั่นเทิมของร่างกายทำให้แค่ที่ยกไว้ไหวไปทั้งแค่มุงสีเขียวแบบมุงสนามซึ่งก็คงจะเป็นมุงของเจ้าของกระท่อมคือลุงคำขณะนี้ตลบขึ้นสูงหลอนก้าว็มาหยุดยืนชงักอยู่ริมแค่แล้วถอนใจพร้อมกระสายสีสระใบมาช้าๆพวกพรานพื้นเมืองสี่คนที่ตามเข้ามาด้วยก็พากันยืนนิ่งกันไปหมดมองหน้านายหญิง กับพริตตาอยู่ปริบ ป, ปริบแพทย์ิงมือเกียดนิยมเม้มริมฝีปากแน่นแล้วขึ้นไปบนแคร่จนถึงร่างซึ่งงอคุดคู่อยู่นั้นว้าผ้าผวยที่คลุมเปิดผ้าผ้าผวยที่คลุมโปองเปิดออกพระพินนอนหลับตามือทั้งสองกำประสานกันอยู่ที่หน้าอกสั่นเหมือนกับปลุกพระมันเป็นอาการที่หลอนคุ้นเคยพบเห็นมาแล้วในชายคนนี้ อย่างเมื่อโรคเก่าเขากำเริบระหว่างที่เคยบุกใครอยู่ด้วยกันหญิงสาวเอาหลังมือแตะที่หน้าผากและซอกคอสัมผัสกับร่างกายเขาความชำนาญบอกได้ทันทีว่าพิกไข้ขึ้นสูงจนหมดสติฮทุเร่ จ, จังรบพินะหญิงสาวพึมพำออกมาถอนใจอีกครั้งหันมาทางพวกครานพื้นเมืองที่ยืนเรียงรายล้อมแคร่อยูอ่ช่วยกันหน่อยพวกเรา ่วยกันยังไงครับนายหญิงกันถามโดยเร็วก็ไปหาฟืนมามากๆจัดการเผาเขาซะเลยเช่วยขันเผาเหมือนสมัยเราเผานังแม่มดวาชิกานี่ยแหละอ่ะไปหามา